พวกโยมที่มาในที่นี้ถือว่ามีบุญมากได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมการฟังธรรมนั้นมีอ น, นิสงส์5อย่างเป็นอ น, นิสงส์ที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันไม่ต้องรอข้างหน้าอ น, นิสงส์5อย่างมีอะไรบ้างมีหนึ่งจะทำให้เราได้สามารถได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เพราะการฟังธรรมเนี่ยจะทาให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเป็นความจริงของชีวิตบางคนถ้าไม่ฟังเราจะไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเลยเพราะครูบาอาจารย์ก็จะนําข้อคิดแล้วก็ความจริงของชีวิตมาเปิดเผยแถมหลอกจากความหลงได้อริยสงฆ์ข้อที่สองถ้าเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังสามก็จะเกิด ปัญญาหรือแจ่มชัดในข้อที่ฟังนั้นยิ่งยิ่งขึ้นข้อที่สามเราสงสัยสิ่งใดบางครั้งฟังทำแล้วก็จะบรรเทาความสงสัยในสิ่งนั้นได้ข้อที่สี่คือทำความเห็นให้ถูกต้องเพราะคนเราจะมีความเห็นผิดคือมีความเห็นที่บิดเบือนคนทั่วไปโด ย, โดยมากมักจะมองเห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยง แล้วก็มองเห็นความทุกข์เป็นความสุขมองเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนมองเห็นของไม่งามเป็นของงามหรือสัญญาวิปลาสแต่ถ้าเร า, เาฟังธรรมเราก็ออกจากความเห็นผิดนี้ได้คือความเห็นให้ถูกต้องแล้วข้อที่ห้าจิตของผู้ฟังธรรมจะยอมแจ่มใสเพราะขณะที่ฟังธรรมด้วยความตั้งใจนั้น กิเลสหรือนิวร์ต่างๆจะไม่เข้ามาครอบงำยกเว้นเราไม่ตั้งใจฟังหรือฟังด้วยความฟุงฟ้งซ่านซึ่งอันนี้ส่งนี้เกิดขึ้นโดยทันทีการฟังธรรมเนี่ยสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าสามารถพูดให้คนบรรลุธรรมกันมากมายคือพร้อมทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งผู้พูดและผู้ฟัง จะเป็นคนบรรลุธรรมเพราะการฟังธรรมกันมากเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจึงมีอันที่สูงมากแต่มาจะท่องกรของอาจารย์พุทธะได้ฟังกรมองถูกทุกข์คายมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนแต่มีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดี ว่าจะเป็นอย่างที่เรานึกหวังหรือเป็นไปตามบัจใจให้ระวังอย่าคุ้มค้างจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองเยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกข์ก็คลายสลายเองก่อนนี้หลวงพ่อพุทธทาสแต่งไว้ดีมากคือแต่งให้เราเนี่ย สามารถมองสิ่งของต่างๆเป็นอาจารย์เราได้เมืเ่อจนมองต้นไม้มองคนมองสิ่งรอบข้างซึ่งเป็นครูเราได้ตอลอดเวลาและไปตรวจสอบอารมณ์เราด้วยบองทีเพื่อนมาขัดใจเราแล้วเราโกรธหรือเปล่าถ้าเรามีสติเราก็มาดูจิตเราอันนี้เป็นประสบะการณ์ตรงบางทีครูบาอาจารย์สอนนี่เราก็ลืมแล้ว ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองมันทุกคนยังเป็นอาจารย์เราหมดบางทีคนบ้าก็เป็นอาจารย์เรานะบางทีเราอาจจะไม่ชอบคนบ้าทําอะไรบ้าๆบอแตเราดูเขาเป็นเราสามารถเอาเขาเป็นอาจารย์ได้โดยให้เราเนี่ยไม่ขุนเคืองหรือเอาความไม่ดีต่างๆเป็นอาจารย์อย่างอาตมาชอบปลูกต้นไม้ต้นปลูกต้นไม้เป็นใหม่วางใจไม่เป็นก็ ก็ทุกข์เหมือนกันเพราะว่าต้นไม้เนี่จะไม่ได้เป็นดังใจเราปลูกไปเดี๋ยวก็ตายมั่งบางทีปลูกงามๆออกดอกสวยๆอ้าวเดี๋ยวมแมลงก็มากินหมดเลยบางทีหนอนกินหมดบางคั้งก็ตายซึ่งถ้าเราวางใจผิดเราจะทุกข์เลยปลูกต้นไม้ก็สามารถเป็นครูสอนเราได้ ถ้าเราวางใจเป็นต้นไม้เขาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคือคือขึ้นอยู่ว่าเราทําเหตุได้ถูกต้องแล้วเราก็บังคับบัญชาเขาไม่ได้ด้วยเขาจะตายจะเป็นถึงเวลาเ้าตายไปเหี่ยวไปเราก็วางใจเป็นเราก็ไม่ทุกข์กับเขาเราก็ทําหน้าที่ปลูกไปไม่ไม่เอาใจไปเกาะเกี่ยวเราก็ไม่ทุกข์คือเขาบางทีเขาล้มบ้างหักมั่งแล้วก็ไปตัดแต่งทําแบบ ว่าถ้าแบบวางใจให้เป็นาปลูกต้นไม้มาสามสี่ปีแล้วที่สระหน้าตอนแรกตรงนั้นก็เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งซากไม้แถวหน้าห้องซ่วมอ่ะที่เราเห็นนั้นแถวหน้าห้องน้ำพระตอนนี้ก็เริ่มจะโตขึ้นจากที่เป็นที่ลกล้างก็สวยงามขึ้นแต่ก็แต่ก็มีปัญหาตลอดบางทีก็ ต้นไม้ก็ถ้าเราวางใจไม่เป็นนะเราต้องทุกข์กับมันบางครั้งก็หายบ้างตายบ้างทุกสิ่งทุกอย่างจะสอนเราตลอดเมื่อการทำงานกับเพื่อนก็เหมือนกันเพราะว่าคนเราจะมีนิสัยแตกต่างกันบางคนก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคือเอาเปรียบเพื่อนคอยหลบหลีกทุกรูปแบบแต่บางคนก็เสียหละเกินเกินความจริง คือช่วยเกิดความจริงก็มีแต่ละคนจะมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันแล้วก็สอนธรรมเราได้ถ้าเรามองเป็นนะถ้ามองว่าเป็นจะไม่สอนแล้วก็ความคิดเปรียบเทียบก็เหมือนกันก็สอนธรรมเราเหมือนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีบุญวาสนาไม่เหมือนกันบางคนก็มีชื่อเสียงบางคนก็มีลาภสักระมากบางคนครูบาอาจารย์ก็รัก บางทีบางคนครูบาอาจารย์ก็ไม่รักคือมันมีสนิทมากสนิทน้อยอันนี้ก็สอนทำเราเหมือนกันถ้าระวังใจเป็นเราจะทุกข์มากเลยแต่ถ้าระวังใจเป็นเราก็มีความสุขคนที่ครูบาอาจารย์รักมากก็ต้องทํางานหนักมากท่านก็มีหน้าที่ของท่านคนที่มีลาภสักหล้ามากบางทีท่านก็ต้องอาศัยบุญบารามีของท่านซึ่งเรามีเท่าไหร่เราก็พอใจเท่านั้นบางทีเราไม่มีบุญบารามี เราก็สมควรอดไปต้องสร้างบารมีกันต่อไปเพราะคนเราบำเพ็ญบารมีไม่เหมือนกันคนเราจึงมีทั้งคนรวยคนจนขอทานเศรษฐียาจกมีทั้งมีทุกอย่างเพราะคนเราสร้างเหตุไม่เหมือนกันบางคนให้ทานมากถือศีลทาราก็มีปัญญาบางคนก็มีฐานะรูปร่างหน้าตาก็แตกต่างกันไปเพราะราสร้างเหตุเราไม่เหมือนกัน ถ้าเรายอมรับได้เราก็ไม่ทุกข์เราก็มีความสุขได้กับอยู่กับปัจจุบันซึ่งคนที่ทุกข์ส่วนมากจะไม่ยอมรับความจริงของตัวเองคือบางทีเราอยากจะได้ของคนอื่นหรือเปรียบเทียบ น, นี่ก็ทำให้เราทุกข์ละแต่ถ้าเราสร้างเหตุให้ดีนะสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราเองคนเราเนี่ยสามารถสร้างชัตาตัวเองได้ มีการพระดาได้ถ้าเราไม่ย่อท้อซะก่อนทุกคนเนี่ยสามารถหาความสุขอยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่ต้งองรอถึงชาติหน้าถ้าระวางใจเป็นแล้วมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูสอนแล้วก็เห็นความจริงกฎตาลรักคือความเป็นเช่นนั้นเองเห็นความเป็นธรรมดาของโลกอะไรเกิดขึ้นกับเราก็เป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเมื่อจะเป็นการสูญเสียทรัพย์สมบัติ สูญเสียคนลักถ้าเราวางใจเป็นเราก็ไปทุกข์แต่ถ้าเราวางใจวางใจไม่เป็นระทุกข์มหาศาลเลยเพราะว่าจิตมันจะไปเกาะเกี่ยวและยึดยึดถือซึ่งถ้าระวางใจถูกต้องเวลามีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขเราก็ไ่หลงแล้วเลงเวลาถึงข่าวเสื่อมยศเสื่อมลาภมีคนดินทาเรา หรือมีทุกข์เราก็รับได้คือวางใจไปกลางๆคือไม่ดีใจเกินไปแล้วก็ไม่เสียใจสุดเกินไปเกิด อ, อะไรขึ้นกับชีวิตเราเราก็รับได้หมดซึ่งถ้าเราวางใจไห้เป็ี่นอยู่ในโลกเราต้องทุกข์มาหาศาลน่ะทุกข์เระสิ่งแวดล้อมทุกข์จากครอบครัวทุกข์จากเพื่อนร่วมงานทุกข์จากเรื่องต่างๆมากมาย บางทก็ทุกข์่ากภัยธรรมชาติก็มีน้ําท่วมหรือไฟไหม้อุบัติเหตุต่างๆอันนี้เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เรควบคุมได้ก็คือจิตใจของเราเองอะไรเกิดขึ้นกับเราเราจะมองสิ่งนั้นอย่างใดถ้าเรามองให้เป็นอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกชีวิตเราก็จะเบาแล้วก็จะความยึดถือก็จะน้อยลง เพราะคนเราเนี่ยจะยึดถือตัวกูของกูมากเลยแต่ถ้าคนไม่มาเรียนธรรมะความยึดถือตัวกูก็จะเต็มเหนียวแต่ถ้าคนมาเรียนธรรมะแล้วเข้าใจชีวิตความยึดถือตัวกูของกูก็จะน้อยลงเพราะตัวกูเนี่ยเป็นสิ่งที่หนักเวลาใครมาด่าเราหรือนินทาเราเนี่ยเราจะตัวกูออกรั บ, บทันทีถ้าคนไม่มีสตินะแต่ถ้าคนมีสติใครมาด่าเรา เราก็ไม่ตัวูกูออกรับฟังหูซ้ายทุกขวาด่าท่าสีดินด น, น้ํำลมไฟไปอันนั้นเราก็ไม่ทุกหรือทุกก็ทุกน้อยซึ่งคนไม่รู้เรื่องตัวนี้นะก็จะทุกมากคือตัวกูเนี่ยจะยิงในสักดศรีจะรักศักดิ์ศรีคือยกหูชูหางคือหลวงพ่อพุทธทาสสอนธรรมะมาทั้งชีวิตก็สอนให้เราเนี่ยรู้จักตัวกูของกูแล้วก็เพื่อละตัวกูของกู แล้วก็ทําลายความเห็นแก่ตัวเพราะโดยธรรมชาติคนเราจะเห็นแก่ตัวไม่มากก็ น, น้อยแต่เรามาเรียนธรรมะเราก็จะรู้ว่าเราเห็นแก่ตัวยังไงบ้างแล้วก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมทําลายความเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นการเอาเข้าแต่ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็จะเป็นการเอาออกคือเราก็สลัความเห็นแก่ตัวให้ก่ไตรลักษณ์ไปชีวิตเราก็ จะมีการพัฒนาขึ้นอันมาจะเล่าลิทานให้ฟังลิทานเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็มีเศรษฐีอยู่ยคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้ก็มีลูกสาวอยู่สองคนแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวหมดก็มีเขยเล็กเขยใหญ่วันหนึ่งเศรษฐีเศรษฐีท่านเป็นคนหัวล้านนะ วันหนึ่งท่านก็อยากจะลองปัญญาของลูกเขยสองคนว่าใครฉลาดกว่ากันบ้านของเศรษฐีก็อยู่ใกล้ๆริมคลองเศรษฐีก็ชวนลูกเขยสองคนไปเที่ยวด้วยกันพอเดินไปเห็นเป็ดฝูงหนึ่งกลาลังลอยน้ำเศรษฐีพูดพ่อตาก็ถาม ลูกเคยสองคนว่าทำไมเป็ดถึงลอยน้ำได้เข ย, ยใหญ่ก็ตอบว่าเพราะเป็ดมีขนครับพ่ออา้าวแล้วเคยเล็กว่าไงพ่อตาถามธรรมดาครับพ่อตารู้สึกไม่ค่อยชอบใจคำตอบเ่าไหร่เดินไปสักพักหนึ่งไปเจอกอไผ่ เห็นหน่อไม้แทงขึ้นมาก็เลยถามเขยใหญ่ว่าเขยใหญ่ทาไมหน่อไม้ถึงแทงขึ้นมาได้เขยใหญ่รีบตอบพอยอดเป็นแหลมครับพ่อเอาเขยเล็กว่าไงธรรมชาติครับพอาตาชักเริ่มไม่ค่อยพอใ จ, อใจเขยเล็กละแต่ก็เดินไปเรื่อยๆ สักพักหนึ่งไปเจอฝูงหา่านฝูงหา่านกำลังร้องเสียงดังเลยก็เลยถามเขยใหญ่ว่าทําไมห่านจึงร้องเสียงดังเขยใหญ่รีบตอบคอบนยาวครับพ่อเอาแล้วเขยเล็กว่าไงธรรมดาครับพ่อตาชักเริ่มฉุนเขยเล็กแล้วพ่อตอบไม่ธรรมชาติก็ธรรมดา เดินไปสักพักหนึ่งใกล้ถึงบ้านเห็นมีรูอยู่มีรูแล้วก็มีงูงูตัวหนึ่งกําลังเลือ้อยเข้าแล้วก็บางทีก็เลือ้อยออกตัวมันแผลบเลยพ่อตาก็เลยถามเข๋ใหญ่ว่าทําไมงูมาถึงตัวลื่นเขอใหญ่ก็ตอบว่าเพราะรูมันลื่นมันเลือ้อยเข้าเลื้อยออกมันก็ ตัวมันเอาแล้วเคยเรียกว่าไงเคยเรียกบอกธรรมชาติครับที่ตอนนี้พ่อตาชักไม่ค่อยพอใจเคยเรียกจะเก็บความเก็บความรู้สึกไว้พอถึงบ้านก็ถามเคยเรียกทันทีเลยไหนเอ็งลองตอบมาซิเคยใหญ่ยังตอบมีเหตุผลเอล็งตอบไม่มีเหตุผลเลยสักข้อลองอธิบายเป็นข้าจเจ้าเรื่องเองนะ พอค่าถามว่าเป็ดทาไมถึงลอยน้ำได้เองก็ตอบเองก็ตอบว่าธรรมดาใหลองที่บายดิเฮลนเล็กก็ตอบว่าขี้บัวแห้งก็ลอยน้ำได้ไม่ต้องมีขนเลยพอตาคิดเออเออจริงของมั น, นอ้าวแล้วหน่อไม้แทงโผล่ดินขึ้นมาเองตอบว่า ธรรมชาติไหนลองอธิบายสิโถพ่อเหตุหัวนบานมันไม่เห็นแหลมมันก็แทงโผลดินขึ้นมาได้เพราะว่าจริงหรือ เ, เปล่าเออจริงแฮะแล้วแล้วหานเขยใหญ่มันตอบว่าคอมันยาวมันกร้องเสียงดังแล้วเองว่าไงเขยเล็กก็ตอบว่าพ่อสังเกตไหมว่าอึ่งอ่างเนี่ย คอมันสั้นมันร้องเสียงดังกว่าหานด้วยมันเป็นเรื่องธรรมดาพ่อพ่อเห็นหรือเปล่าเออใช่ใช่ใชพ่อตาชักยักเห็นด้วยชักค้อยตามแล้วตอนนี้ชักเสียงไม่ค่อยดุและวอา้าวแล้วที่เองบอกว่างูมันเลื้อยเข้าเลื้อยออกได้เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะอะไรอธิบายสิถูกพ่อ มันไม่เกี่ยวกับรูที่เลื้อยเข้าหรือออกดูผัวของพ่อสิยังร้านมันแผบเลยแต่เรื่องนี้ไม่รู้จบลงว่าพ่อตาญาติจะเขกะโลกลูกเขยหรือเปล่านะแต่ก็มีมุมมองสองคนเนี่ยคือเขยใหญ่มองด้วยเหตุผลแต่เขยเล็กนี่จะมีจะไม่ได้มองในมุมเหตุผลจะมองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นั้นเองเป็นธรรมดาคสือมองเขยเล็กจะไม่ค่อยทุกขเ์เท่ไร คือวางใจแบบเห็นทุกสีทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมดาได้มาก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เสียไปก็ไม่ค่อยเสียใจคิดแต่เคยเล็กจะไม่ทุกข์นะแล้วมีนิทานเปรียบเทียบอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องนี้มีคุณนายอยู่คนหนึ่งคุณนายคนนี้เป็นเมียในตํารวจใหญ่ตอนหลังได้เป็นคุณหญิง คุณนายคนนี้มีชื่อเล่นว่าโตแต่ว่าแกก็ชอบใคนทั่วไปเรียกว่าคุณนายโตคุณนายโตโดยเป็นคนใจบูสุนทานชอบใส่บาตรพระซึ่งใกล้บ้านของคุณนายโตเนี่ยก็จะมีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งก็มีพระครูมาพาพระมาบิณฑบาตแาวนบ้านประจาแล้วก็มกคุ้นกันดีซึ่งคุณนายโตก็ใส่บาตรทุกวัน หรือวันเกิดคุณนายโตก็นิมนต์พระครูเจ้าวาดมาเจริญพุทธมนต์ที่บ้านพอจะเจริญพุทธมนต์ซึ่งอาศัยความสนิทกันก็ถามหาทุกสุขด้วยกันแบบกันเองแต่พอเจริญพุทธมนต์เสร็จฉันอาหารฉันเพลิเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาให้พรซึ่งพระครูก็ให้พรยาถาวลีปหาปูราปลีปูเรนตีสากรลังเอวะอีโตทินนางตอนนี้คุณนายกำลังกวดน้ำอยู่ยุะเพราะาพระครูแกเน้นคำว่าอีโตแกโมโหพระครูบอก พระครูเป็นพระเป็นเจ้าเมืม่อกี้ก่อนหน้าที่จฉันอาหารเนี่ยเรียกฉันคุณนายโตพอฉันเสร็จแล้วเรียกอีโตจะรับไม่ได้นะแล้วก็เดินหนีไปเลยโกรธพระครูมากแล้ตั้งนั้นมาแกก็ไม่ยอมใส่บาศัตรพระวัดอีกต่อไปเลยอเอาแกมีความรู้สึกว่าพระครูไม่ให้เกียดแกไปเกกรียกแกอีโตแกเข้าใจเรื่องภาษาบาลีหรือบทสวดมนต์ อธิบายไม่ยอมรับคําอธิบายด้วยแล้วก็ต่อมาถึงวันเกิดแกกั็กนิมนต์พราวัดอื่นนิมนต์เจ้าคุณมาทําบุญที่บ้านแล้วก็คุยไปคุยมาเจ้าคุณก็ถามว่าคุณนายทําไมไม่นิมนต์พระแถวๆนี้ซึ่งก็มีอยู่หลายวัดพระครูยังอยู่ใช่ไหมแถวนี้อีฉันไม่นิมนต์มาแล้วตอนก่อนฉัน เพนก็เรียกฉันคุณนายโตพอฉันเพศเสร็จแล้วอีโตที่คุยไปคุยมาท่านเจ้าคุณก็เข้าใจอ๋อเข็ไปอย่างนี้นี่เองนั้นพอเจ้าคุณให้ยะถาคุณนายโตทัานก็ยทถาวลีวหาปูราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะคุณนายโตทินังคุณนายโตตบมือโผเออมันต้องอย่างนี้เจ้าคุณ ซึ่งเรื่องนี้ก็พิวธาหอนว่าคนเราเนี่ยที่ยึดถืออัตตามากเนี่ยยึดถือตัวตนเนี่ยมันจะมีการแสดงออกแบบคนทั่วไปในโลกนะยึดติดกับตําแหน่งซื่อตำแหน่งเนี่ยบางทีทําให้ทุกข์นะคนที่บางคนเป็นรัฐบนตรีเป็นเป็นรับราชการในพลในพันหรือ ตำแหน่งใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยถ้าเรายึดถือตำแหน่งเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ย ร, รู้รู้เป่าว่าเป็นใครซึ่งบางครั้งเนี่ยทุกเราจะไป น, นั่งกินอาหารข้างถนนก็ไม่ได้จะต้องวางฟอร์มวางมาส ต, ต้องเก๊กหน่อยมชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งยากซึ่งผี่โคธรบิดาบางทีไป น, นั่งกินข้าวแกงกินกาแฟข้างถนนก็ได้ชีวิตมีความสุขกว่าซึ่งหัวโขนเนี่ยเป็นสิ่งที่สมมุติ สวมให้เราถึงเวลาเราก็ถอดออกอย่างบางคนเนี่ยเราก็เป็นหลวงพี่หลวงพ่อถ้าพรนธามากกว่าบางทีเราก็เป็นหลวงน้องบางทีซึ่งบางคนที่เป็นลูกศิษย์ก็เรียกอาจารย์บางทีไม่แน่สิ่งนี้เราเรายึดไม่ได้เลยอยู่ที่เหตุการณ์บางคนครูบาจารไปเจอครูบาจารย์ที่พัษามากกว่าก็เป็นลูกศิษย์อีกคือเปลี่ยนบท บางทีเราเป็นพ่อไปเจอพ่อของเราเราก็เป็นลูกแล้วเราเป็นครูสอนลูกศิษย์พอเราไปเจอครูของเราเราก็เป็นลูกศิษย์ซึ่บทบาทต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตามสมมุติถ้าเราวางใจเป็นนะเราก็ไม่ยึดถือสมมุติสามารถใช้ชีวิตปรับตัวได้โดยใจเราไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ยึดถือตัวตนเท่าไหร่ชีวิตเราก็สบายไม่ต้องแบก แล้วก็ใช้ตามสมบูรณไปอย่างก่อนท่านอาจารย์เพื่อธาตเนี่ยจะแต่งอยู่ก่อนหนึง่งมีโดยไม่ต้องเป็นเป็นตัวเป็นของกูเนี่ยถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันมันจะสมเผากระบาลท่านทั้งวันต้องปล่อยมันเป็นของมันอย่าผันมาเป็นของกูในอำนาจแห่งตัวกูมันจะดูวุ่นวายคล้ายคนบ้า อย่างน้อยเป็นนกเขาเข้าตำลามันคึกว่ากูของกูอยู่ล่มไปจะหามามีไว้ใช้หรือกินตามละบินอย่างอิ่มหนำก็ทำได้โ ด, โดยไม่มั่นหมายให้อะไรอะไรผูกยึดไว้ว่าตัวกูหรือของกูซึ่งถ้าใครวางใจอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์คือมีแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราเป็นเจ้าของถึงเวลาเสียไปก็ถือว่าของธรรมชาติไป อย่างชีวิตของเราเนี่ยที่จริงเราก็เป็นสมบัติของโลกนะแต่เรามากักไปขี้ตู่บอกว่าเป็นสมบัติของเราอย่างเราที่นั่งได้ที่ดีทั้งหมดเนี่ยเป็นสมบัติของโลกหมดอะคือโลกเขาเรายืมใช้พอเราตายไปก็ไปของโลกทรัพย์สมบัตินี่ก็ไปของโลกหมดเพราะบางทีก็อยู่ในโลกแล้วก็รอการเสื่อมสลายไปคือไม่มีสิ่งใดที่เราไปได้เลยเหมือนเรามาพักแรมชั่วคราวเท่านั้นพอใช้เสร็จก็คืนเจ้าของไป แต่ที่เราทุกเนี่ยเพราะเราขี้ตู่เราจะ ย, ยึดของของโลกเป็นของเราซึ่งระวางใจผิดปุ๊บเราก็ทุกแล้วเพราะขัดกดขัดกข ด, ก ข, ด, ก ข, ดกของธรรมชาติซึ่งธรรมชาติหรือไตรักษ์เนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เปนยอดคถาเลยสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องทุกสถานการณ์ซึ่งหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าอันนี้คือ ย, ยอดพุทธมนต์ยงประจําไว้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แก้ปัญหาหทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยจนถึงมรรคผลนิพผานถ้าเราวางใจเรื่องนี้เป็นคาถาสามคำเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตซึ่งมาวันนี้ก็พูดธรรมะมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาผู้แบบสับปะเหละไม่เป็นเรื่องเวลาเท่าไหร่ แต่ก็เน้นแก่นเหมือนกันถ้าโยมแบบเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้โดยไม่ไม่ทุกข์ก็พอแล้วเพอเดี๋ยวพวกโยมก็กลับบ้านไปแล้วก็เไปสู้กับโลกถ้าเบื่อชีวิตค่อยมาบวชหรือมาเอาจริงก็กลับมาใหม่ถ้าเราไปใช้ชีวิตกับโลกเนี่ยเราก็ต้องวางใจให้เป็นถ้าวางใจไม่เป็นเราก็ทุกข์เรื่อทุกข์ที่ทุกแน่นอนเพราะเราจะไปยึดไง ย, ยึดกับขอ ง, งต่างๆเป็นของเราพอระวังใจผิดและคิดผิดเนี่ยก็มีผลตรงข้ามทันทีคือเราจากเป็นนายมันก็กลายเป็นถูกเขาจัดทันทีเหมือนดอกไม้จัดคนแหละตอนแรกเราจัดดอกไม้แป่มาดอกไม้ก็จัดคนอย่างที่อาจารย์ปี่สานเคยพูดได้ไบ่อยๆคือสิ่งนี้จะเป็นกําหนดชีวิตเราทันทีเลยถ้าเราเราก็จะตกเป็นทาสของเขาเงินก็เหมือนกันนะถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยเราก็เป็นทาสของเงิน เราใช้เป็นเราก็เป็นนายของเงินอยู่มาคิดดูอ่ะระหว่างเป็นนายกับเป็นทาสอันไหนจะอิสระกว่ากันซึ่งสุดท้ายนี้อนามาจะทองกอนไว้ฝากก่อนหรือก่อนปิดท้ายเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีที่มีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อยาเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวค้นหาหนวดเต่าตายเป่าเอยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงขอความสุขความเจริญธรรมจงมีงแยก่ญาติโยมทุกท่าน